ขออนุ ญ, ญาตพาจาย์ น, นะครับขออนุ ญ, ญาตหลวงพ่อนะครับ อ, อ, อาจจะเดี๋ยวอาจจะตั้งประเด็นคําถามนิดนึงนะครับก็คือตอนนี้ที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่นะครับก็คือตามรูปที่เราเห็นเนี่ยผ่านอาจตนะทั้งหมดเนี่ยก็เราก็รับรู้ได้แล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ถ้าเราเมีสมาธา ม, มีสมาธิที่ค่อนข้างเข้มแข็งเราก็จะรู้สึกตัวแล้วก็ใช้หลักการที่หลวงพ่อ เทสให้เราฟังตะกีนี้ก็คือในในการเข้าถึงความไม่มีตัวตนใช่ัหยครับทีนี้ผมผมมีคำถามนิดหนึ่งครับในในลักษณะตัวเนี้ยมันเป็นรูปแต่ว่าอย่างเช่นถ้าในขณะที่เรานึกหรือว่าที่เรากำลังฝันนะครับมันก็จะมีสิ่งที่ปรากฏและสิ่งที่ไม่ไม่ปรากฏในในในในมิติของที่ไม่ได้เป็นรูปอะครับก็ก็เลยอยากจะ สอบถามพระอาจารย์่าครับว่าในในลักษณะตรงนี้เราควรจะวางจิตวางใจเหมือนกันหรือว่ามีหลักการปฏิบัติยังไงที่มีความแตกต่างที่ที่ต่างจากการที่เราเห็นรูปที่ที่เป็นที่เป็นรูปที่เป็นขันที่เป็นตัวตนกับรูปที่อยู่ในความคิดหรือว่าในขณะที่เราฝันก็ได้ครับในขณะที่เราฝันเราก็จะเห็นอะไร ต่างๆเดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างนะครับอาจารย์ก็คืออย่างเช่นเอ่อเรากําลังฝันว่าเราอยากกินอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราเดินทางไปไกลๆนะครับสักพักก็ไปเจอผู้คนแล้วผู้คนคนนั้นเขาก็ถามว่าเอ๊อยาก อ, าอยากกินสระเปล่าไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้รับสระเปาขึ้นมาจริงๆมันก็ปรากฏอยู่ในในผวังอยู่ในวิถี จิตในในในความฝันของเราครับทีนี้ในเนื้อสถานนั้นในจิตของเราเราก็เราจะวางตัวยังไงแล้วก็ในสิ่งที่ในขณะที่เรากำลังจะรับประทานอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีคนมาฉกแย่งไอตัวนั้นไปมันก็ไอสิ่งที่ปรากฏอยู่ในฝันมันก็ไม่ปรากฏอยู่ในความฝันอีกทีนี้มันก็เลยกลายเป็น2ประเด็นว่ามันก็ มีสิ่งที่ปรากฏและไม่ปรากฏอยู่ในความฝันที่ไม่อยู่ในในรูปที่มองผ่านอายตนะทางทางตาได้อะครับอาจารย์ก็เลยอยากจะสอบเรียนถามว่าใ น, ในลักษณะแบบเนี้ยเราควรจะวางจิตวางใจยังไงดีครับอาจารย์อก่อนหลวงพ่อจะตอบเนาะต้องทำสัมมาทิฏฐิให้ถูกต้องก่อน ทำความเห็นให้ถูกต้องก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารเป็นอนัตตาหลวงพ่อจะพูดถึงเรื่องความเป็นอัตตากับความเป็นอนัตตาตกลงเนี่ยมันมีเราไหมเออจริงๆถูกถ้าเป็นถูกต้องเข้าใจถูกมันมีเราไหมเอ่ยเดี๋ยวเออลองคุยกันนะตอบก่อนครับนะก็จริงๆ ท, ที่ที่ยกประเด็นก็อ่ะ ถ้าที่ผมเข้าใจนะครับที่ฟังพระอาจารย์แล้วก็จะที่ทับก็คือจริงๆมันไม่มีตัวเราอยู่ข้างในครับอ่าโอเคนะเอาแค่นี้ก่อนเนาะค่อยๆฟังไปนะคนอื่นก็ฟังด้วยเพราะว่านี่คือเรื่องของสติปัญญาสติสมาธิปัญญาที่สามารถเกิดขึ้นในปัจจุบันได้เพราะบางทีเนี่ยเราไม่เข้าใจเรื่องสมาธิเราไม่เข้าใจเรื่องปัญญาแต่ถ้าเข้าใจตอนเนี้ที่ระหว่างฟังเนี่ยมันเกิดทั้งสติสมาธิปัญญาพร้อมเสร็จเป็นในตัวเลย โดยที่ว่าเราไม่ต้องไปทำสมาธิเราไม่ต้องสร้างปัญญาอะไระเมื่อกี้คือหลวงพ่อพูดถึงที่พระพุทธเจ้าสอนเรานะว่ามันมีแต่สังขารเท่านั้นที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ทาทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะรูปทานามทำทั้งหมดทั้งสิ้นคือเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทีนี้หลวงพ่อก็จะชี้ให้เห็นถึงว่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนาะเราบอกว่าเราฝันบ้างละแล้วเราจะทาอย่างไรบ้างละ ตรงนี้มันยังเป็นความเห็นที่ที่ผิดเนาะเพราะมันลืมไปว่าจริงๆอะ่ะมันไม่มีตัวเราหรอกถ้ามีก็คือมีแต่ความปรุงแต่งก็คือความฝันไม่ใช่เราเป็นผู้ฝันคือจิตปรุงแต่งเนี่ยมันตัวเช่นอสุวะตอนร่างกายนอนหลับเนาะร่างกายมันก็เป็นสังขารร่างกายก็ไม่ใช่เราส่วนจิตใจเนี่ยมันเป็นนามธรรมมันก็ปรุงแต่งไปตามเหตุปัจจัย ก็มันปรุงแต่งแบบหน่อยก็คือทําให้เป็นความคิดนะก็เรียกว่าเป็นความคิดในขณะที่หลับคือจิตมันทํางานมันปรุงแต่งพอปรุงแต่งมันก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาตรงเนี้ชี้ให้เห็นเลยนะหลวงพ่อชี้ตามลําดับผู้นอนก็ไม่ใช่เรานอนแต่กายมันนอนนะกายพักผ่อนก็คือนั่นแหละเข้าใจกันได้แล้วก็เวลาฝันมันก็คือเป็นความปรุงแต่งทางจิตมันจะปรุงแต่งยังไงก็ได้ไม่มีใครที่จะไปไปหยุดไปยั้งไปอะไรทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้นความฝันก็ไม่ใช่เราฝันแล้วก็ที่ถามว่าเมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้เราจะทำอย่างไรในเมื่อไม่ปรากฏว่ามีเราตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะฉะนั้นไม่จึงไม่มีเราที่ต้องไปทำอะไรมันจึงมีแต่ความฝันที่มันเกิดขึ้นเองแล้วมันก็ดับของมันเองมันจะปรุงแต่งอย่างไรก็ในเมื่อสมมติว่ามันยังไม่ตื่นเนาะยังไม่ตื่นก็คือว่าคือมันยังอยู่ในอาการอย่างนั้นอยู่เนี่ยยังไม่ตื่นก็คือยัง ยังไม่เกิดสติสัมปชัญญะก็เลยความปรุงแต่งก็จะต้องปรุงแต่งไปเรื่อยๆอย่างนั้นแต่พอมีเหตุเหตุหมดความฝันก็หยุดลงก็คือเรื่องราวที่ฝันก็หมดไปนะตรงนี้หลวงพ่อกำลังชี้ให้เห็นให้เห็นลักษณะแบบที่มันเป็นธรรมะก็คือว่าทุกอย่างมันเป็นเองเกิดเองดับเองทั้งหมดเลยไม่มีเราในสิ่งนั้นเลยทีนี้พอเราเข้าใจตรงนี้แล้วก็ เราคือบางคำเนี่ยนะหลวงพ่อก็ต้องบอกก่อนว่าบางทีใช้สรรพนามว่าเป็นเราบ้างเป็นอะไรบ้างอันนี้คือเป็นคําสมมติเพื่อสื่อสารนะแต่โดยสภาพธรรมะเนี่ยมันจะไม่มีเราเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดอ่ะทีนี้หลวงพ่อก็ชี้ให้เห็นอีกว่าที่เล่ามาทั้งหมดนะรู้จักแล้วว่าอ๋อไม่ใช่เรานอนแล้วก็ไม่ใช่เราฝันแล้วก็เราก็ไม่ได้ทําอะไรแต่ตรงนั้นเนี่ยมองดูดีๆว่าไม่มีในปัจจุบัน ปัจจุบันที่มีนี่คือกําลังได้ยินกาลังกำลังสนทนากําลังอะไรตรงเนี้ซึ่งมันไม่มีสิ่งที่อดีตขึ้นมาอีกเลยมีแค่สัญญาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนาะแต่สัญญามันก็ไม่ใช่ความจริงสัญญาก็คือเป็นขันขันหนึ่งในขันห้าซึ่งเกิดดับเหมือนกันเมื่อมันลืมไปเมื่อไหร่เมื่อเมื่อสัญญาไม่มีไอเรื่องที่เคยฝันมันก็ไม่ได้พูดถึงมันก็ไม่ได้นึกถึงมันก็ดับเหมือนกันเพราะนั้นการเรียนธรรมะให้เกิดปัญญาเนี่ยต้องมองในแบบนี้ ให้มองถึงว่าเออทุกอย่างมันเป็นความปรุงแต่งทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราทั้งหมดให้ใช้ปัญญาเนี้ยยืนพื้นไปเลยอย่าลืมหลักนะหลวงพ่อถึงบอกว่าอย่าลืมหลักที่ว่าเออสิ่งที่กําลังปรากฏเนาะมันเป็นแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับไปดับไปเกิดแล้วดับไปดับไปดับไปไม่มีเหลือเลยให้อยู่ให้รู้อยู่กับปัจจุบันแบบเนี้ยให้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง อันนี้หลวงพ่อพูดในเชิงธรรมะนะเพราะตอนนี้เป็นช่วงโมงที่เราคุยธรรมะเราก็จะเน้นในเรื่องของการรับรู้ที่เป็นปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็เลยไม่รู้ว่าจะตอบคำถามยังไงแล้วเพราะถ้าเข้าใจเรื่องความไม่มีตัวไม่มีตนแล้วก็เราจะทำยังไงมันก็ตัดประเด็นว่าคือไม่มีเราต้องทาอะไรช่วยเสริมหลวงพ่อนะครับเหมือนกับเราไป อ, าอยู่ในโรงภาพยนต์อะ ตัวรู้มันทำงานของมันเองทุกอย่างเราไม่ไปจัดการอะไรกับมันฝันก็เช่นเดียวกันนะไปนั่งอยู่ในโรงภาพยนตร์ไม่ต้องไปจัดการอะไรมันก็รู้ทำหน้าที่รู้ของมันเองจบในตัวของมันเองทั้งหมดครับข อ, ขอบขอบพอะคุณหลวงพ่อนะครับขอบคุณพี่ฉลองรัตน์นะครับที่ให้เพิ่มเติมครับก็จริงๆ เอาส่วนตัวนะครับบางทีเวลาที่ที่เราฝันนะครับก็บางทีเรารู้สึกตัวกับไม่รู้สึกตัวมันมีทั้งสองอย่างนะครับอาจารย์จริงๆก็ตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่ที่อาจจะก้าวข้ามในในความที่เราจะมีระลึกถึงว่าความทมี่มีตัวตนอยู่ในขณนะนั้นเนี่ยนะครับก็อันนี้อันนี้อันนี้ยังยังข้ามไม่ได้เพราะว่าในในขณะที่ฝันบางทีก็รู้สึกตัว บางทีก็ไม่รู้สึกแบบจะเรียกไงก็คือมันฝันไปตามที่จิตมันอาจจะฟุง้งฟุ้งลอยไปซึ่งคาดว่าอาจจะตอนนั้นอาจจะสติอาจจะกำลังไม่เข้มแข็งพออะไรอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์ก็เลยก็เลยห <c oughs> ย, ย, ย, ยิบขึ้นมาเป็นประเด็น <c oughs> เดี๋ยวหลวงพ่อเล่าประสบการณ์นะ <c oughs> เพื่อ <c oughs> เพื่อให้เห็นอะไรบางอย่างเนาะเรื่องฝันนี่แหละแต่แต่ ตอนนี้เราเข้าใจแล้วนะว่าฝันนะเราไม่ใช่เราเป็นผู้ฝันแต่เป็นเรื่องของมันเป็นเองให้เข้าใจตรงกันทีนี้อ่ะอันนี้เราเอาสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแต่ว่ามาเล่าเพื่ อ, อะจะได้เห็นอะไรบางอย่างซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงและก็ทําให้เกิดปัญญาหนะลวงพ่อเนี่ยขนาดที่หลวงพ่อบวช แ, นะแล้วเนี่ยนะหลวงพ่อบวชแล้วเนี่ยพอบวชแล้วเนี่ยก็มีมีฝันบางทีก็มีฝันเช่น ฝันว่าเราเป็นนักเรียนนะนักเรียนก็วัยมัธยมอแล้วก็ครูเนี่ยสั่งให้งานคืองานงานงานวาดเขียนงานางานวาดเขียนนี่แหละทีนี้ในฝันเนี่ยมันเหมือนกับว่ารู้ว่างานที่ที่ครูสั่งให้ทําเนี่ยเราไม่ได้ทําพอเราไม่ได้ทําเสร็จแล้วเนี่ยตอนเนี้ยครูเขาเขาจะตรวจแล้วก็จะสอบจะสอบไล่แล้ว แล้วในฝันเนี่ยมันเกิดความวิตกกังวลมากเลยว่าโอ๊ยตายแล้วเนี่ยเรานึกว่าครูลืมไปแล้วนะเนี่ยแต่ครูไม่ลืมแล้วครูก็มาทวงมาทวงเสร็จแล้วเอา้าเราก็ยังไม่ได้ส่งงานอย่างนี้เราสอบไม่ผ่านแน่ๆเลยเนี่ยแล้วมันเป็นความรู้สึกว่ามันมันเป็นทุกข์อ่ะมันเป็นความวิตกอย่างหนึ่งว่าตายแล้วเราไม่ผ่านทีนี้พอฝันมาแบบนี้แล้วอยู่ๆมันรู้สึกตัวคือตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาเนี่ยโอ้ เหมือนกับว่ามันเป็นความรู้เป็นปัญญาที่จะทำให้เข้าใจว่าหลวงพ่อขอใช้คำพูดอย่างนี้นะเฮ้ยมันบ้าไปแล้วนะเนี่ยก็ความจริงความจริงเนี่ยเรานอนอยู่ตรงที่กุดเนี่ยแล้วเราเป็นพระเราไม่ได้เป็นนักเรียนเราไม่มีอะไรต้องค้างต้องอะไรพอเห็นความจริงตรงเนี้มันความจริงมันเกิดขึ้นตอนที่รู้สึกตัวนั่นแหละคือตื่นขึ้นมา จึงรู้ว่าความฝันเนี่ยโอ้นี่มันปรุงแต่งกันได้ขนาดนั้นเหรอเนี่ยปรุงแต่งในเรื่องที่มันมันไม่เป็นความจริงเลยเพราะความจริงคือเราเนี่ยโตอายุห้าหกสิบแล้วไม่ใช่เด็กแล้วก็ตอนเนี้มานอนอยู่เนี้ยนอนอยู่ตรงเนี้ยนะมันไม่ใช่เป็นนักเรียนแล้วครูเครอร์อะไรมีที่ไหนแล้วเราก็บวชเป็นพระตรงเนี้ยเหมือนกับมันเป็นคําเฉลยให้รู้แจ้งรู้จริงว่าไอภาพมายาที่มันฝันนี่นะมันเป็นความปรุงแต่ง แล้วก็รู้ได้ชัดเลยมันเป็นเองมันเป็นเองมันเป็นเองหลวงพ่อไม่ได้สร้างไม่ได้ทําสักอย่างหลวงพ่อไม่ได้ทําสักอย่างแต่มันเป็นเองแล้วก็พอรู้สึกตัวเขาเรียกว่าตื่นความฝันก็ดับเขาเรียกว่ามันดับลงมันตัดขาดมันตัดขาดเพราะความรู้สึกตัวตรงนี้หลวงพ่อก็เข้าใจอีกว่าอ๋อไอความรู้สึกตัวนี่โหสุดยอดวิชาขณะใดที่ไม่รู้ตัวมันก็หลงหลงสังขารปรุงแต่งว่าเป็นจริงเป็นจังขึ้นมา แต่พอตื่นขึ้นมารู้สึกตัวมีสติสัมปชัญญะมันฉเฉลยได้หมดว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความเท็จความจริงความเท็จก็คือสิ่งที่มันหลอกว่าเราเป็นนักเรียนมีเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้คือความเท็จความจริงคือร่างกายนี้ไอ้ตัวนี้กำลังนอนอยู่แล้วก็กำลังคิดกำลังนึกคือมันเห็นอยู่ในกำลังคิดกาลังนึกอะไรอยู่ก็คือหมายถึงว่ารู้แจ้งในในปัจจุบันว่า ไอสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยโอ้โหเป็นภาพมายาทั้งหมดแล้วสิ่งที่กําลังปรากฏในปัจจุบันไอตัวรู้เนี่ยไอตัวสติสัมปชัญญะเนี่ยรู้แจ้งว่าเออตอนเนี้ยไอรูปเนี้ยมานอนอยู่ที่นี่รูปเนี้ยบวชเป็นพระนะมันก็ยังปรุงแต่งต่อนะแต่ถ้ารู้ไม่เท่าทันเนี่ยมันก็นึกเข้าใจผิดต่อว่ามันมีเราจริงๆที่นอนอยู่เราเนี่ยตื่นแล้วเราเนี่ยบวชเป็นพระแล้วนะ แต่ถ้าด้วยปัญญาที่จำหลักให้แม่นก็หมายความว่าต้องเห็นถูกต้องว่าสิ่งที่กำลังปรากฏคือร่างกายนี้ที่กำลังปรากฏมันก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นของเกิดดับความคิดที่กำลังคิดอยู่ว่าอย่างนู้นอย่างนี้ที่คิดปัจจุบันนั่นนะก็ต้องให้รู้แจ้งอีกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งมันก็เป็นภาพลวงตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันที่ตื่นแล้วมีสติสัมปชัญญะเนี่ยมันก็ยัง มีบางสิ่งบางอย่างที่ยังหลอกลวงอยู่เหมือนกับว่าเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาแต่เมื่อมีสติปัญญาได้หลักมั่นคงก็จะรู้เลยว่าไอตอนหลักมันก็หลอกไอตอนที่ตื่นแล้วมันก็ยังหลอกไม่หยุดแต่ถ้าได้หลักแม่นๆว่าโอ้ทุกอย่างเป็นแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กําลังเกิดขึ้นและสิ่งนั้นหมดไปให้รู้ด้วยปัญญาอย่างเนี้ยจึงจะไม่ถูกหลอกหลวงพ่อจึงเน้นเน้นมากเลยไอเรื่องของความรู้สึกตัวไอความ ไอ้ตัวสติปัญญาเนี่ยจะต้องเห็นแจ้งในปัจจุบันเลยว่าอะไรก็ตามที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันมันเป็นแค่สิ่งเกิดดับอย่าได้หลงไปว่ามันเป็นเป็นจริงเป็นจังอะไรเลยนะมันเป็นแค่สิ่งเกิดดับมันไม่เป็นมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกเป็นภาพมายาเป็นภาพลวงตาทั้งหมดเลยให้ใช้หลักอย่างเนี้ตลอดทั้งชีวิตเลยก็คืออะไรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงโผธฐาพธรรมลมอะไรต่างๆเพียงแต่ว่ารู้เข้าใจ แล้วก็ให้มันเป็นของมันอย่างนั้นแหละเออให้มันเป็นของอย่างที่มันเป็นแหะคือเสียงมันเป็นอย่างไรก็ให้มันเป็นอย่างนั้นแหละกลิ่นมันเป็นอย่างไงก็ให้เป็นอย่างนั้นแหละสิ่งที่มากระทบกายเย็นร้อนอ่อนแข็งมันเป็นอย่างไงก็ให้มันเป็นอย่างนั้นแหละธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตในใจอนะเช่นความคิดก็ดีหรืออารมณ์ความสุขความทุกข์ความวิตกกังวลที่มันกําลังปรากฏก็ให้มันเป็นอย่างนั้นแหละให้เพียงแค่รู้แค่รู้แค่รู้อย่างนี้มันถึงว่า โอ้ถ้าเข้าใจธรรมะนี่เนาะมันไม่ได้ทำอะไรเลยมีแต่แค่รู้แค่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏขึ้นในปัจจุบันอ่านี่หลวงพ่อเล่าประสบการณ์น่าจะเป็นประโยชน์ได้เนาะอ่าก็เรื่องอวิชชาเนี่ยจริงๆมันมันเป็นหัวขบวนเนาะมันเป็นกิเลสที่ละเอียดที่สุดรู้ได้ยากที่สุดนะถ้า ไม่มีคนชี้บอกมันรู้ไม่ได้นี่จากประสบการณ์หลวงพ่อนะที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดรู้เลยว่าหลวงพ่อไม่อาจจะรู้ได้ด้วยตนเองนะเรื่องอวิชชาเนี่ยแต่พอมีคนมาบอกมีผู้รู้มาบอกท่านบอกว่าเนี่ยเป็นอวิชชาตอนแรกก็ไม่เข้าใจแต่เมื่อท่านชี้บ่อยๆโอ้จึงรู้เลยว่านี่เหรืออวิชชา โอ้มันรู้ได้ยากมากรู้ไม่ได้ด้วยนี่ถ้าครูบาอาจารย์ไม่ชี้เนี่ยก็ยังเป็นความรู้สึกนะรู้สึกว่าชาตินี้ที่เกิดมาเนี่ยมันจะทางมีทางที่จะรู้เองได้ไหมอ่ะคำตอบคือไม่มีทางเลยอ่ะทีนี้พอมันได้ตรงนี้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอ๋อรู้จักอวิชาแล้วเพราะนั้นบางเรื่องเนี่ยที่หลวงพ่อรู้ว่าเออบาง อย่างพวกเรานี่ยนะบางทีที่มันเป็นอวิชชาเนี่ยถ้าหลวงพ่อไปรู้ไปจับทันเนี่ยหลวงพ่อก็จะชี้บอกว่าอ๋อนั่นแหละอวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้สิ่งที่กําลังปรากฏแล้วก็ไปยึดถือเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานะคือไม่รู้สิ่งที่กําลังปรากฏแล้วก็พอมันไม่รู้พอไม่รู้เนาะแน่นอนอะ่ะก็ต้องยึดถือเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนขึ้นมา อย่างนี้เรียกว่าอาวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้มันแปลยากมากว่าความไม่รู้มันคืออะไรยังไงแต่ถ้ารู้จักทีละอย่างทีละอย่างค่อยๆจะเข้ามันจะทำให้ค่อยๆเข้าใจมาตามลำดับหลวงพ่อขอยกตัวอย่างของของโฟเนาะใช่ไหมโฟโฟใช่ไหมครับหลวงพ่ อ, อโ ฟ, โฟเนาะ<ช>อันนี้เพื่อเป็นเป็นธรรมะเนาะเพราะว่าเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกคนว่าอาวิชชามันเกิดตรงไหน ไอ้ตรงที่เริ่มเอ่ยปากถามเนี่ยจริงๆอะ่ะมันมีเอวิชาตั้งแต่ในจิตแล้วแหละที่คิดจะถามเนาะแต่ว่าอ น, นี้หลวงพ่อเพื่อเอาสิ่งที่มันมั น, ม, นมันเขาเรียกว่าเห็นได้ง่ายกว่าพอเริ่มพูดจะถามปับ๊บตรงเนี้ยถ้าไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่กําลังปรากฏก็คือคําถามคําพูดคือไม่เห็นตรงนี้เพราะคําพูดเนี่ยตอนนี้กําลังเกิดกําลังปรากฏแต่ไม่เห็นพอไม่เห็นปับ๊บ มันก็เป็นเราเลยเป็นตัวตนเลยคือมีเรามีเราแล้วเราก็ถามพอถามเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังเป็นอวิชชาอยู่ก็มีเราก็คือเราเนี่ยอยากรู้อยากรู้อยากได้คาตอบจากหลวงพ่อว่าหลวงพ่อตอบยังไงเพื่อเราเนี่ยจะได้เข้าใจเพื่อเราเนี่ยจะได้รู้แจ้งเห็นไหมมันจะเพื่อเราและเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อเราเพื่อเราตรงนี้เป็นกระบวนการของอวิชชาทั้งหมดเลย แต่ถ้าไม่มีคนมาบอกจะรู้ได้ยังไงห่อเนี่ยมาว่ามันเป็นอวิชาว่าโอ้ที่ถามมานี่มันเป็นตัวเราไปแล้วแต่พอมีผู้มีหลวงพ่อบอกหรือครูบาอาจารย์บอกเขาบอกเนี่ยที่ถามเนี่ยมีตัวตนแล้วถ้าเข้าใจตามที่อาจารย์บอกก็จะรู้เลยว่าเออใช่จริงๆโอ้โหมันมีตัวเราเป็นผู้ถามนี่ถ้าอาจารย์ไม่บอกนะไม่รู้เลยนะว่ามีตัวตนะมีตัวเราเป็นผู้ถาม แต่พอบอกปั๊บปิ้งเลยเข้าใจเลยโอ้นี่เอาวิชาชัดๆัดคือไม่รู้ว่าไอสิ่งที่กําลังปรากฏคือคําถามหรือความคิดเนี่ยหรือการพูดเนี่ยมันเป็นสังขารแต่เพราะความไม่เห็นสังขารที่กําลังปรากฏก็เลยยึดถือเป็นตัวเป็นตนตมันก็เลยเป็นสังขารเป็นเหตุปัใจจัยให้เกิดมเออีเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะเดินตลอดสายเลยตั้งแต่สังขาร ก็เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดนู่นเกิดนี้ขึ้นมาแต่ถ้ารู้ว่าอ๋อนี่มันเป็นอวิชาเป็นอวิชานี่รู้แล้วพอรู้แล้วมันจะรู้เลยว่าตัวตนไม่มีแล้วก็รู้เท่าทันพอรู้เท่าทันเนี่ยเขาเรียกว่าดับอวิชาพอดับอวิชาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไม่รู้จะถามอะไรอกีกเพราะว่าถ้าถามไปมันก็รู้ว่าเอา้าตัวตนเกิดก็เลยหยุดความเป็นตัวตนมันก็เลยไม่รู้จะถามอะไร พอนิ่งไปสักพักหนึ่งมันก็เกิดขึ้นมาอีกแล้วจะถามอีกเพื่อประโยชน์ของเราอีกเพื่อประโยชน์ตัวตนอีกเพื่อประโยชน์ของให้กูรู้แจ้งให้เรารู้แจ้งมันก็รู้ทันพอรู้ทันเสร็จมันก็ไม่รู้จะถามอะไรก็เงียบกริบเลยเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการดับอวิชชาดับอวิชชาเป็นครั้งเป็นครั้งเป็นครั้งไปเนาะเพราะว่าอาวิชชาเนี่ยมันเยอะมากมันมันเกิดทุกคําพูดทุกความคิ ด, ท, คคดทุกการกระทําเลยถ้าไม่รู้ว่า ขณะที่กำลังพูดกําลังคิดกำลังกระทำเนี่ยมันเป็นสังขารถ้ารู้ไม่ทันตรงนี้นะมันเข้าไปเป็นเราเราไปเป็นมันเรียบร้อยแล้วมันเป็นเราเราเป็นมันไปเลยนะนี่หลวงพ่ออธิบายแบบนี้โยมโฟอพอเข้าใจไหมอ๋อขอบขอบพระคุณครับหลวงพ่อครับพอเข้าใจครับก็ก็หนึ่งก็คืออยากหยิบประเด็นเพื่อเพื่อความเข้าใจนะครับในในขณะที่เราเข้าใจเราก็ ที่หลวงพ่อพูดเราก็มีตัวเราที่อยากจะเข้าใจแต่จริงๆแล้วมันไม่มีตัวใครที่จะเข้าใจตัวนั้นหรอกครับใช่ไหมครับก็แต่ว่าแต่ว่าที่ที่ถามก็มันก็คือเพื่อเสริมให้เรามั่นใจแล้วก็ความเข้าใจมากขึ้นแต่ในขณะนั้นก็พยายามคิดตามว่าใครที่ไปเข้าใจไอ้สิ่งนั้นที่ที่เรากำลังจะถามด้วยครับอาจารย์ก็ก็ต้อง อ, อ จะเรียกไงก็พยายามทำให้ให้เรารู้ตัวนะครับแล้วก็รู้ว่าใครทำอะไรอยู่นะครับประมาณนั้นครับอาจารย์ขอบขอบคุณมากเลยครับ<า>ที่อธิบายเพิ่มเติมอ่าสาธุนนะให้เข้าใจอย่างนี้แหละเข้าใจทีละเรื่องทีละเรื่องอย่างเมื่อกี้เนี่ยจับได้เลยนะอันนี้ก็เป็นธรรมะอีกอสุโมระเบื้องต้นเข้าใจแล้วละ่ะว่าเออไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราตั้งแต่ต้นแต่หลวงพ่อฟังตอนท้ายเนี่ย ก็เพื่อให้ตัวเราเนี่ยเข้าใจยิ่งขึ้นเข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นเห็นไหมคือตัวเราไม่เกิดในขณะจิตนี้แต่ว่าพอขณะจิตต่อมาเพื่อให้ตัวเราเข้าใจยิ่งขึ้นเยตรงนี้ก็เอาวิชาอีกเห็นไหม <c oughs> มันคือคือมันจะเกิดทียิบเลยนะตรงเนี้ยถ้าจับทางได้นะหลวงพ่อจะใช้คําว่ามันสนุกมากเลยอะ่ะมันสนุกจริงๆเพราะว่าเหมือนกับ ว, ว่าจับได้ขาหนังคาเขาในความที่ที่มันเป็นตัวตนเนาะ จับได้คาหนังคาเขาแล้วมันแบบพอจับได้ผมเหมือนกับว่าพอรู้ทันปั๊บมันจะล่วงเลยนะมันเหมือนกับมันมันระเบิดมันแตกไปแบบมันแตกเหมือนฟองน้ําแตกหรือมันมันสลายมันสลายหายวับไปเลยแต่ตรงนี้ต้องต้องมีปัญญาจริงๆนะเพราะว่าถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยไอตัวอวิชาตัวอัตตาเนี่ยมันจะเถียงไม่เลิกมันจะเถียงอ่ะเพราะว่ามันเป็นอัตตาใช่ไหมมันจะเถียงว่าฮพูดไม่จริงจริงๆอะเราก็เข้าใจมาตั้งนานแล้วว่าไม่มีตัวเรา ไอ้ที่บอกว่าเราเข้าใจมาตั้งนานแล้วที่ไม่มีตัวเรานั่นแหละวิชาตัวเบิริมเลยอนะ่ะใช่ไหมเ <c oughs> นี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาวิชาเนี่ยมันจะเกิดบ่อยๆแล้วก็ถ้าไม่เห็นนะมันก็จะสู้กันมันจะสู้คือมันจะเถียงเพราะว่ามันต้องยึดมั่นถือมั่นคือมันต้องคุ้มครองรักษาตัวเองเพื่อเพื่อให้ตัวเองดูดีไงให้ตัวเองว่าให้คนอื่นมองว่าตัวเราเนี่ยเออเราเข้าใจหมดแล้วเราไม่มีเอาวิชาแล้วแต่จริงไนงะไอ้ที่ว่า เราเข้าใจหมดแล้วเราไม่มีอวิชาแล้วนะ่ะน่ะนี่แกอวิชาตัวเบิ้อง่มเลยน่ะครับ <c oughs> คนอื่นนะเดี๋ยวลองลองดูนะที่ประเด็นที่หลวงพ่อพูดเนี่ยถ้าไม่เข้าใจเนี่ยอยากให้คุยเรื่องนี้มากเพราะว่าถ้ารู้ตรงนี้ไม่ได้เนี่ยมันพ้นทุกข์ไม่ได้ในชาตินี้เลยแหละ ค่ะต้องขอบคุณคุณโฟด้วยค่ะที่แบบว่ายกประเด็นขึ้นมานะคะจริงๆคุณโฟเนี่ยเข้าใจตรงนี้ดีมากค่ะแต่ว่าทำให้เราเนี่ยในห้องเรามีเรื่องสนทนากันนะคะเพราะว่าหลายท่านก็ยังติดเรื่องนี้อยู่นะคะก็อ่า หลวงพ่อจะได้ดูจากคุณโฟโด้ค่ะเผื่อว่าวันอันเสรหรืออาทิตย์นะคะไหนก็วันทีน่นี้อาจจะไม่ว่างอาจจะต้องรบกวนคุณโฟมาช่วยจัดเป็นโคโฮส์ด้วยนะคะค่ะสวัสดีออเดียนต์ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะออขอประชาสัมพันธ์นะคะหลวงพ่อจะเทศเริ่มเทศนะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาค่ะนะคะจนถึงประมาณ11มนิดๆอย่างเงี้ยนะคะถ้าท่านใดสนใจแล้วก็สามารถติดตามค่ะ บอกเล่าก้าวต่อที่เป็นรูปบ้านสีเขียวข้างบนได้นะคะกดติดตามได้ค่ะแล้วก็ท่านใดที่อยากจะขึ้นมาสนทนาค่ะเรียนเชิญนะคะค่ะคุณโฟมีอะไรเสริมไหมคะก็อันนี้อยากก็อยากแชนสิ่งที่เมื่อกี้หลวงพ่อเทศให้ฟังครับแล้วก็เอามาใช้กับตัวเองก็ต้องต้องขอขอบคุณนะครับจริงๆการที่เมื่อกี้คุณหนุ่ยหนุบอก ผมรู้จริงๆก็ยังรู้ไม่หมดนะครับแล้วก็ยิ่งยิ่งโดนการตอกย้ำก็เหมือนเราค่อยๆสลายเกาะตัวอัตราของเราไปะครับเพราะก่อนอันนี้คือเริ่มต้นเราก็แค่รู้อย่างเช่นเราได้ยินได้ฟังในในคนที่บอกว่าเอ๊ะลดอัตราลดอัตราบางทีเราก็ลดแล้วเราก็รู้แล้วแล้วเราก็ละเลยในสิ่งนั้นายถึงว่าคาว่าละเลยเหมือนว่าบางทีเรารู้แล้วแหละว่า ไอ้หนึ่งบวกหนึ่งเนี่ยเท่ากับสองเราก็เราก็รู้แค่หนึ่งบวกหนึ่งแต่จริงๆมันมีกรรมวิธีต่างๆที่จะได้สองซึ่งในกรรมวิธีต่างๆพวกนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นชั้นสูงขึ้นไปอีกอย่างเช่นสแวรสี่อะไรพวกเนี้ยสแวเอ่อแปดฐานสามอะไรพวกเนี้ยครับอันนี้อันนี้ผมอาจจะเพียบเียบพูดเปรียบเปยว่าจริงๆแล้วไอ้สิ่ ง, ส, งสิ่งที่เรารู้ตอนแรกอะครับมัน มันก็แค่เพื่อนําทางแล้วถ้าเราเกิดศรัทธาเนี่ยเร ก, ก็พยายามที่จะเรียนรู้ตัวตัวนั้ น, น่ให้ให้มันมั่นใจมากขึ้นครับทีนี้ที่หลวงพ่อท่านพูดสิ่งหนึ่งที่อยากฝากสุดคิดก็คือไอ้ที่เรารู้ว่าเรารู้จริงแล้วเรารู้ใครรู้กันแน่เราต้องทลายไอ้ตัวรู้ตัวนั้นให้ได้อย่างจริงจังนะครับเพราะไม่งั้นเราก็ยังจะไปรู้อยู่พอเขาไม่รู้สิ ที่หลวงพ่อท่านปิดท้ายว่านั่นแหละไอ้ตัวที่เรารู้แล้วเรากําลังจะไปรู้ให้มันยิ่งขึ้นนั้นคืออวิชชาตัวนี้ก็เลยเป็นท็อปิกของวันนี้ที่หลวงพ่อท่านกรุณาที่จะช่วยชี้แนะแล้วก็ตอกยอ้าในตัวอัตราตัวย่อยๆที่เป็นอนุใสให้มันสลายมากขึ้นขึ้นไปต้องขอขอบพระคุณมากครับพระอาจารย์สาธุคะ่ะสาธุนะอ่ามีคน มีโอเคและแบบนี้ถือว่าที่หลวงพ่ อ, อได้ออกอขับเข้ามาหลายวันถ้ามีผู้เข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยถือว่าปร ะ, ประสบผลสาเร็จในการสื่อสารธรรมะเ <c oughs> พราะสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่บางคนเขาฟางยากก็ถูกต้องแล้วเพราะว่ามันเป็นธรรมที่ละเอียดนะขั้นสูงขั้นสูงแต่ว่าคนเราปัญญามันไม่เท่ากันเนาะสะสมามาไม่เท่ากัน ผู้มีปัญญามากก็โอเคฟังแบบลื่นหูไปเลยเนะตื่นรู้ไปเลยเบิกบานไปเลยแต่ผู้ผู้อีกระดับหนึ่งเขาก็จะเครียดแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็หนีออกไปก็เป็นเป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาอันนี้ก็เป็นธรร ม, นนนรมดามากๆเลยอทีนี้เรื่องของการรู้เนี่ยอย่างที่เออเมื่อกี้ก็คุยนะว่าเขาเรียกว่าบางทีที่ผ่านมาก็คือถูกต้องแล้วคือรู้แล้วแต่ยังรู้ไม่รอบยังรู้ไม่หมดมีสิ่งที่รู้อีกมีสิ่งที่ต้องรู้ ก็มีอีกเยอะอย่างสมมตินี่ถ้าถ้าดูพระพุทธเจ้านะนะท่านรอบรู้ทุกอย่างอ่ะรู้จนไม่มีใครที่จะเปรียบเทียบท่านได้ออะืมแต่บางอย่างที่ท่านรู้ท่านก็ไม่เอามาพูดไม่เอามาสอนเพราะถือว่ามันมันมันไม่ได้เป็นหนทางเพื่อไปออกอ่าเพื่อความพ้นทุกเนาะท่านก็เลยไม่ต้องมาพูดมาสอนอะไรแต่สิ่งที่ท่านสอนเราก็คือใบไม้กัำมือเดียวนี่แหละคือเน้นเรื่องเรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านก็บอกทางไว้หมดแล้ว ทีนี้เรื่องเรื่องรู้นิดหนึ่งนะมันถ้าเข้าใจตรงเนี้ยมันก็จะง่ายขึ้นเพราะมันจะเห็นเห็นในคําพูดของตัวเองเนี่ยเช่นสมมุติว่าอสมมุติว่าคำพูดเนาะคําพูดบอกว่าเออเรารู้แล้วเรารู้แล้วเนี่ยเรารู้หมดแล้วเนี่ยหรือเรารู้เกือบหมดแล้วเหลืออีกหน่อยหนึ่งเนี่ยอาจจะนิดเดียวที่เรายังไม่รู้ไอ้พวกนี้เอาวิชาหมดเลยเพราะว่ายังมีเรามีเราอยู่แต่ถ้าจะดับเอาวิชาได้ยังไงก็ต้องรู้เรา ถ้าเรารู้เนี่ยอย่างนี้เป็นอวิชชาแต่ถ้ารู้เราเป็นวิชชารู้เราคือรู้ว่ารู้ยังไงอ่ะรู้เราคือมันกลับมารู้ตัวเองพอกลับมารู้ตัวเองเนี่ยตัวเราเนี่ยมันเป็นสิ่งถูกรู้ไปเลยมันไม่ใช่ผู้รู้แล้วนะนึกออกหมคือถ้าถ้าเรารู้เนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยรู้เรายึดอะไรบางอย่างอยู่ว่าเรารู้เรารู้อย่างนี้มันเป็นอวิชชา แต่ถ้ารู้เราเราที่เป็นผู้รู้เนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งถูกรู้พอเป็นสิ่งถูกรู้ก็เหมือนกับไปรู้สังขารทั่วไปเลยเหมือนกับไปรู้กับสิ่งอื่นๆเลยว่าเช่นไปรู้อะไรนะเช่นถูกวนะ่าอุปมาณนะเช่นรู้เสียงรู้เสียงเสียงเป็นสิ่งถูกรู้ทีนี้ถ้ารู้เราเราก็เป็นสิ่งถูกรู้แต่ผู้รู้ไม่ปรากฏ เราเป็นสิ่งถูกรู้สิ่งถูกรู้ก็คือสังขาร น, นั่นเองมีแล้วหมดไปมีแล้วหายไปแต่ผู้รู้เรามันเป็นธาตุรู้เป็นธรรมชาติซึ่งไม่ปรากฏตัวผู้รู้อันนั้นแหละเป็นการรู้ที่หลุดที่พ้นไปจากสังขารถ้าเข้าใจอย่างนี้เราจะรู้เลยว่าอ๋อไอ้ตัวเรานี่เนาะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี้ยไม่รู้ว่ามันเป็นสังขาร แต่พอรู้ว่ามันเป็นสังขารปั๊บสังขารเนี่ยก็ก็คือสังขารทั่วไปเกิดแล้วก็ดับไปหมดไปไม่ใช่ตัวตนอะไรแต่ธรรมชาติที่มารู้สังขารเนี่ยธรรมชาตินั้นเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่สังขารเป็นธรรมชาติที่พ้นจากความปรุงแตง่งเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏเป็นธรรมชาติที่ไม่เป็นอะไรเลยนะธรรมชาติเนี้เออนี่พวกเราเข้ามาในห้องแล้วนะหลวงพ่อก็สมมติ เรียกให้มันตรงกันจะได้ต่อไปจะได้เข้าใจกันว่าไอ้ธรรมชาติที่รู้เราเนี่ยธรรมชาติเนี้ยจะเรียกว่าเป็นญานทัศนะก็ได้เป็นยานวิมุตมติยานก็ได้จะเรียกว่าปัญญายานคือมันเกี่ยวกับยานยานอะ่ะคือเป็นยานรู้ซึ่งได้แต่รู้แจ้งรู้จริงซึ่งการรู้แบบเนี้ยรู้ด้วยความรู้รู้ที่บริสุทธิ์มากรู้คือแบบรู้แบบไม่ปรุงแต่งอะ่ะเออ หรือบางทีเขาอาจจะเรียกว่าใจก็ได้นะอ่าใจเนี่ยใจรู้เพราะใจเนี่ยความรู้ของใจเนี่ยนะมันรู้ออกมาจากใจเนี่ยมันรู้หมดสิ่งที่เกิดขึ้นในใจสิ่งที่ดับในใจใจรู้หมดเลยว่าอ๋อมีสิ่งเกิดสิ่งดับในใจแต่ใจเนี่ยไม่ได้เกิดไม่ได้ดับแต่สิ่งที่เกิดในใจน่ะมันไม่ใช่ใจมันเป็นแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นอาจจะเรียกชื่ออะไรก็ได้ แต่ถ้าจะเรียกรวมๆก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นในใจแต่ใจเป็นพื้นที่จะรองรับสิ่งเกิดดับนั้นใจเนี่ยได้แต่รู้นะเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นมันปรากฏขึ้นสิ่งนั้นไม่ใช่ใจนะแล้วใจเนี่ยมีความรอบรู้ไม่มีขอบไม่มีเขตหลวงพ่อจะขยายให้ดูนะเอาเมื่อกี้พูดถึงว่าใจรู้ได้กับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในใจ รวมถึงการดับไปของสิ่งที่เกิดขึ้นในใจได้ต่อมาใจเนี่ยสามารถรู้กายนะไอ้ น, นี่คือมันมันเลยออกมาจากจากใจแล้วเนาะมารู้กายกายเคลื่อนไหวกายกระดูกกระดิกก็ใจก็รู้ได้ทีนี้เอาใจมันไม่รู้แค่กายนะมันรู้ออกไปข้างนอกได้อีกก็คือรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวเรามันก็รู้ว่าไอ้สิ่งที่อยู่รอบตัวเรามันก็อยู่ภายใต้กฎไม่เที่ยงเหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกัน แล้วก็ไปรู้โลกรู้จั ก, กรวาลรู้ดวงอาทิตย์รู้อะไรต่างๆรู้หมดว่าสิ่งนั้นน่ยก็อยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์เกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปหมดไปเหมือนกันแต่มีหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ไม่เกิดและไม่ดับสิ่งนั้น ấy. หลวงพ่อก็ตั้งชื่อว่าสิ่งนั้นเรียกว่าใจก็ได้เรียกว่าจิตพุท ธ, ธะก็ได้เรียกว่าจิตเดิมแท้ก็ได้เรียกว่าจิตดั้งเดิมก็ได้เรียกว่าธรรมาธาตุก็ได้เรียกว่ า, าธาตุรู้ก็ได้มันมันมีหลายชื่อแต่ให้ให้ทำความเข้าใจให้ได้เลยว่า อ๋อชื่อต่างๆที่หลวงพ่อยกตัวอย่างอันนั้นน่ยนั่นแหละคือสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับนอกจากนั้นที่ใจไปรู้เป็นสิ่งเกิดดับทั้งหมดถ้ารู้จักธรรมชาติ2สิ่งนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันจะง่ายแล้วมันจะปฏิบัติคือไม่คว้ยกันก็หมายความว่ารู้จักเป็นอย่างดีว่าอ๋อถ้าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับแต่สิ่งที่ไม่เกิดสิ่งนั้นและไม่ต้องดับแล้วก็พบความจริงว่าสิ่งที่ไม่เกิดและไม่ดับนั้นก็คือใจนั่นเอง เพราะฉะนั้นมันจะต้องพ้นทุกข์ที่ใจพ้นทุกข์ที่ใจใจนั่นแหละเป็นสภาพที่พ้นทุกข์ใจนั่นแหละคือนิพพานถ้าพบใจแล้วก็จะพบนิพพานนิพพานอยู่ที่ใจจะง่ายนิดเดียวค่ะเนี่ยแล้วก็ธรรมะเนี่ยบางทีเรื่องที่พูดคุยเนี่ยบางทีมันประโยชน์คนอื่นด้วยไงเราก็ไม่ได้สวรสดิ์ลิขิ์อะไรเนะาะแล้วก็พูดไม่ได้กระทบใครอย่างเงี้ยพูดเป็นธรรมะอยู่แล้ว ก็สามารถที่จะแชร์ส่งต่อได้นะไม่ไม่ไม่ไมหวง้ามอะไรค่ะ ถ้าอยากถ้าท่านใดอยากได้ลิงก์นะคะใน u t u b e นะคะของหลวงพ่อทำเป็นคลิปเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดไม่าสามารถส่งจรวดด้านขวามือนะคะที่เป็นรูปจรวดค่ะส่งมาหาหนูหนุยได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวหนูหนยจะส่งลิงก์นะคะเผื่อจะไปเปิดใน Youtube เพื่อ Subscribe ท่านเวลาท่านเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีเทศแล้วก็มีการสนทนานะคะทำให้เราอ้ยมีตัวอย่างแล้วก็ลองมาพัฒนาแล้วก็ลองดูว่าให้เรามีการ ก้าวหน้าในการปฏิบัติอย่างเงี้ยนะคะช่วยได้มากเลยค่ะนะคะโอเคก็ก่อนจบนี้ขอยกพระสูตรอ่าพระสูตรหนึ่งเนาะที่พวกเราก็คงน่าจะได้ยินได้ฟังมาแล้วคือสูตรพระพายยะแต่หลวงพ่ออาจจะพูดไม่เต็มสูตรแต่พูดไปในทํานองทํานองก็คืออยู่ในขอบเขตของพระสูตรก็คือว่าเอ่อที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระพายยะนะบอกว่า เมื่อเห็นก็สักแต่เห็นเมื่อได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเมื่อทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อรู้แจ้งก็สักแต่ว่ารู้แจ้งนะขณะใดนะที่เธอขณะใดที่สักแต่ว่าสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าทราบสักแต่รู้แจ้งเนี่ยขณะนั้นแหละตัวเธอจะไม่มีนะไม่มีตัวเธอในไม่มีในชาตินี้ชาติปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ชาติหน้า แล้วก็ระหว่างชาติทั้งสองเอแต่ในในภาษาพระเตยบุตรบอกใช้คําว่าในโลกนี้หมายความว่าตัวเธอจะไม่มีในโลกนี้ในโลกหน้าในระหว่างโลกทั้งสองพระพายยะฟังแค่เนี้ยโอ้โ ห, โหถอนความยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดเลยเพราะมีความเข้าใจว่าตัวเราไม่มีเมื่อตัวเราไม่มีเนี่ยการอุปท า, านนะการอุปท า, านก็ไม่มีพระพายะก็เลยบรรลุทำขณะที่ จบที่พระพุทธเจ้าได้ได้ตรัสไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงชี้ให้เห็นว่าการได้ยินก็ดีการเห็นก็ดีการรู้เนี่ยที่รู้นั่นรู้นี่ที่รับรู้อะรวมถึงความรู้ที่รู้แจ้งในธรรมะรู้แจ้งรู้แต้งแทงตลอดตรงนี้มันไม่ใช่เราเป็นผู้รู้แต่เป็นการรู้เป็นเป็นธรรมชาติที่เขามีอยู่แล้วการได้ยินก็มีอยู่แล้ว การเห็นก็มีอยู่แล้วการรู้ก็มีอยู่แล้วการรู้แจ้งเนี่ยเรีอกศึกษาธรรมะจนแจ่มแจ้งเนี่ยก็เป็นความรู้ที่เป็นมันเป็นปัญญาแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ไม่ใช่เราพระพายยะมีปัญญามากเข้าใจเรื่องเราไม่มีไม่มีเราโอ้ก็เลยถอนความยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดทั้งสิ้นเลยก็คือบรรลนะุธรรมเพะฉะนั้นธรรมะวันนี้ที่ได้พูดกันไว้เรื่องของการการรู้ สิ่งที่กําลังปรากฏเนี่ยก็คือเนี่ยถ้ารู้โดยชอบรู้โดยถูกต้องก็คือเข้าใจด้วยปัญญาว่าไม่ใช่เรารู้แค่นี้ก็คือก็จบกันนะพ้นทุกข์ได้ในปัจจุบันได้ก็หลวงพ่อก็ฝากธรรมะไว้วันนี้ก็เพียงแค่นี้เนาะก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทั้งหลายที่ได้เข้ามาฟังนะร่วมฟังร่วมคุยสนทนากันนับว่าจะเป็นประโยชน์ทําให้เกิด อย่างน้อยก็สุตะปัญญาสุตะจากการได้เออปัญญาจากการได้ยินเนาะได้ฟังแล้วก็คิดพิจารณาที่เหลือก็ไปไปทบทวนโดยการสังเกตแบบนี้ว่าการเห็นก็ดีได้ยินก็ดีเนี่ยมันเป็นเราไหมอะไรเนี่ยไปไปพิจารณาทบทวนแล้วก็จะประจักษ์แก่ใจเป็นปัจจตังเองว่าอะไรเป็นอะไรนะวันนี้ก็สวัสดียงเท่านี้เนาะศาสตร์มาสการ์ค่ะสาธุขอทูตนะหลวงพ่อครับ